พระบัญญัติ418ก็ภิกษุมีจํานวนหนึ่งรูป2รูปหรือ3รูปประพฤติตามกล่าวสนับสนุนภิกษุนั้นพวกเธอกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านอย่าว่ากล่าวอะไรภิกษุนั้นภิกษุนั้นกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมภิกษุนั้นกล่าวสิ่งที่เป็นวินยัยภิกษุนั้นกล่าวตามความพอใจและความชอบใจของพวกเราเธอทราบความพอใจและความชอบใจของพวกเราจึงกล่าว พวกเราเห็นด้วยกับคำนั้นภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าพวกท่านอย่าพูดอย่างนั้นภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นธรรมภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นวินยัยพวกท่านอย่าชอบใจการทำลายสงฆ์พวกท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงปรองดองไม่วิวาทมีอยุเทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุขภิกษุเหล่านั้นอันพวก ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้อย่างยกย่องอยู่อย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมุทพาธจนครบสามครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าพวกเธอกำลังถูกสวดสมุทรพาศกว่าจะครบสามครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าพวกเธอไม่สละเป็นสังฆาธิเศษเรื่องพระโกกาลิกะและพวกประพฤตตามกล่าวสนับสนุนพระเทวทัต o บ